นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาพออนไลน์ทางเพียวธรรมะคอมอัตมาพระไฟบูรอภิปุนโนทุกสัปดาห์ก็จะมากับคุณหมอณัฐพงศ์ครับกราบนมัสการและกราบสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับกับผมนธนแพทย์ณัฐพงศ์กนวิลุนครับแล้วก็มากับคุณหมอณัฐพงศ์สาเหตุที่ที่จะต้องมีการาพูดคุยสาระฉาเนี่ยนะก็เพราะว่ามันจะได้มีการาถามบางอย่างคือถ้าอัตมาอธิบายคนเดียวเนี่ยนะ คือเราก็เข้าใจละเราถึงอธิบายใช่ไหมบางทีถ้าไม่มีมอรัตพงศ์มาคอยสอบถามช้าย้ําประเด็นต่างๆย้ำบางทีไปเร็วเกินไปก็จะทําให้ท่านผู้ฟังบางท่านไม่เข้าใจก็ในกรณีของอย่างคุณวณินี้ที่มีมีถามคําถามอย่างเงี้ยก็ขอเชิญคุณหมอรัตพงศ์ได้มองทบทวนคําถามแล้วก็เรามาคุยประเด็นนี้กันจากเมื่อตอนที่54ตอนนี้เป็นเอพิโซดที่อะไรคุณหมอรัตพงศ์55ครับ55แล้ว55ครับ อย่างรวดเร็วนะครับครับคือคุณปณิทิตเนี่ยท่านถามมาหลายคำถามเลยก็โดยสรุปว่าท่านถามคำจำกัดความของคาว่าสติสมาธิสติปัฏฐานสี่เอาแค่นี้ก่อนไหมครับคือคำจงกัดความสติครับคืออันนี้ก็พูริชาตรัสไว้แล้วสติคือความระลึกได้ใช่ระลึกถึงสิ่งที่ทาจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้ ในเรื่องถึงสิ่งที่ทาคําที่พูดนี้คืออะไรกเ็เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมใช้กายเวทนาจิตธรรมเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติให้เกิดความระลึกได้ ค, ค, คือระลึกสิงที่เราคุยไปใช่ไหมคือนึกถึงดึงออกมาได้เอาจิตย้อนกลับไปบเพราะนั้นคุณเอาจิตย้อนกลับไปอะไรก็ย้อนจิตกลับไปในกายในเวทนาในจิตหรือในธรรมอย่างเงี้ยอันนี้ก็ชื่อว่ามีสติ มสมาธิคือความตั้งใจมั่นชอบในการที่จิตแน่วแน่อยู่สิ่งเดียวสติปัฏฐานสี่ก็คือเมื่อสักครู่ที่ท่านกล่าวไปแล้วนะครับใช่ใช่สติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมนะครับแล้วก็อาณาปนาสกิก็การกำหนดสติโดยระลึกลมหายใจใช่ไหมครับใช่ใช่ที่พระอาจารย์บอกว่าจิตไปจุด จ, จดจ่ออยู่ที่เดียวคือสติ อ, อย่างนี้ไม่ใช่เรียกเป็นสมาธิเลยครับตรงนี้รับ โอเคอาการที่จิตไประลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเดียวอาการที่ระลึกถึงนั่นคือสติจิตที่เป็นเอกขาตาหมายความว่ามีอะไรมากระทบแล้วไม่หนีไปไหนนั่นคือจิตเป็นสมาธิไม่งั้นทําไมทําไมมรแปดมันจะเดินไปพร้อมกันได้ไงเพราะฉะนั้นสติสมาธิเนี่ยมาพร้อมกันได้บางทีมีสติ ไ, ไม่มีสมาธิก็ได้นะถ้าอาจารย์จะบอกว่าอาการที่จิตนิ่งอยู่อย่างเดียวเนะี่ยเป็นมีสติทําไมเราจะพูดไม่ได้ ก็เพราะว่าสติกับสมาธิมันอยู่ด้วยกันตรงนั้นครับจะเรียกว่าสมาธิก็ได้เพราะสมาธิก็อยู่ตรงนั้นเพรา ะ, ะนั้นถ้าคุณปฏิทิจเรียกว่าสมาธิก็ก็เรียกได้เพราะว่ามันก็อยู่ตรงนั้นออือเขยงคู่กันไปเลยใช่ไหมครับอืโอเคครับแล้วต่อมาก็คือว่า อ, อสมถกรรมฐานคือการทําให้จิตมีสมาธิส่วนการทํำวิปัสสนาคือการทําให้จิตมีสติหรือเปล่าครับ อ, อทั้งสองอย่างต้องใช้สติ นะทั้งสมถะและวิปัสนาต้องใช้สติส่วนสมถะเนี่ยพระเจ้าบอกเจริญแล้วเนี่ยจิตจะเจริญจิตเจริญหมายควมีจิตมีกําลังใช่ไหมจิตเจริญแล้วจะจทําอะไรได้ระละราคะได้นะสมถะวิปัสนาใช่ไหมคือการเห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยเจริญแล้วก็จะปัญญาจะเจริญปัญญาเจริญแล้วก็จะละอวิชชาได้ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เราจะพิจารณาเราจะทําจิตให้นิ่งตรงนี้ต้องมีสติตลอดคุณจะต้องมีสติกํากับอยู่ตลอดอจิตโผล่ใช่ไหม อย่าไปเจริญสมถาถะให้มาเจริญวิปัสนาสิฟุง้งซ่านใช่ั้ยอย่าไปเจริญวิปัสนาให้มาเจริญสมถาถะอย่างเงี้ยคนที่จะเห็นตรงนี้ได้เนี่ยรู้ว่าตอนนี้ฉันฟุง้งซ่านแล้วตอนนี้ฉันหดหูไปอันนี้คุณต้องมีสติตลอดครับอืมครั บ, รบก็ต่อมาก็คือถ้าวิปัสนาคือการเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ในสติปัฏฐานสี่เนี่ยหมดธรรมที่เป็น วิปัสสนาก็คือคือหมวดธรรมหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านถามมาอย่างนี้ว่ากายเวทนาจิตธรรมอ่าก็แค่ส่วนกายเวทนาจิตเอา3ามอย่างเนี้ยก็เป็นวิปัสสนาไปในตัวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในตอนสุดท้ายของแต่ละวักเนี้ยสมมติกายใช่ไหมบริชาบอกว่าอาก็เห็นกายงี้จนทั้งเห็นกระดูกใช่ไหมเห็นกระดูกเสร็จไปแล้วก็อะไรก็แลสติคือความระลึกได้ว่ากายของเธอมีอยู่นั้นเป็นสติเพียงแค่อาศัย ระลึกเปนเพียงแค่อศัยรู้ที่แท้ตัณหาเลือดทิของเธออาศัยไม่ได้ก็เป็นผู้ที่ไม่อะไรอะไรในโลกใช่ป่ะก็ตัณหาทิศอาศัยไม่ได้ตรงนั้นคุณจะวางได้เนี่ยคุณต้องมีมีปัญญาแล้วนะเพราะฉะนั้นแต่ละตอนแต่ละตอนเนี่ยพระเจ้าเคยพูดไว้ชัดเจนว่ากายจงพูดไปเรื่อยๆจนจบปุ ela, ๊บบรรลุนิพพานได้เมตนาพูดไปเรื่อยเจนจบปุ๊บบรรลุนิพพานได้จิตพูดไปเรื่อยเจนจบปุ๊บบรรลุนิพพานได้ธรรมะพูดไปเรื่อยเจนจบบรรลุนิพพานได้เหมือกัน คือคต้องบอกคุณปฏิทิศแล้วก็ท่านผู้ฟังหลายๆท่านด้วยเวลาคุณไปนั่งสมาธิภาวนานะหรือว่าคุณใคร่ครวญธรรมะเนี่ยอย่าเอาตำราเข้าไปด้วยเพราะว่าถ้าเราเอาต ำ, ตำราเข้าไปด้วยเนี่ยจิตมันคิดไปนั่นคิดไปนี่และวคิดไปโน่นคือเป็นการฟุ้งซ่านไปในตำราล ะ, ะอ่ะาเพราะงั้นเราก็เอาวางตำราอเอาไว้ก่อนนะสิ่งที่จําได้ใคล่ครวญเนี่ยเอาไว้ใช้ตอนแก้ง่วงอ่าตอนนี้เราไม่ง่วงเราไม่ต้องใช้ก็ได้ดจิตฟุ้งซ่านอยู่ทําไงให้เจริญสมาธิมากๆไม่ต้องคิดอะไรมากนี่นะ อืคือคนจะบวชอยู่ได้อย่างสมมติมีคนจะเอามาถามอาตมานะโอ๊ยเนี่ยเขาัเขาเป็นพระเนี่ยนะเขาอยากจะบวชอยู่ต่อทํายังไงดีอเราก็บอกว่าอเขาก็ถามว่าเขาคิดมากเลยเขาไม่รู้เขาจะทํายังไงคิดถึงคนนี้คิดถึงคนนี้แล้วบอคนนี้เขาไหวอย่างนี้คนนี้เขาไหวอย่างนี้คิดไม่ออกสัทีเราก็บอกต้องคิดน้อยๆนะถึงจะบวชอยู่ได้้คิดมากนี่บวชอยู่ไม่ได้นะอ่าการบรพูดพรมอาจัญญาหรือว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องคิดน้อย แล้วก็ทําในเรื่องของจิตให้มากๆคิดน้อยเนี่ยหมายความว่าไม่ใช่ว่าไม่ใกล้ครวนนะ ค, คิดได้น้อยเนี่ยหมายถึงว่าให้ฟุ้งซ่านน้อยๆเราจะรู้ได้ไงตอนนี้เราฟรุฟ้งซ่านไปแล้วหรือว่าตอนนี้เราใกล้ครวญธรรมะอยู่ก็ดูที่ว่าถ้าเรามีความสงสัยถ้าคุณมีความสงสัยนี่ไ ม, ม, ม, ม่ใช่ละมันที่ต้องสัมมาธิแนิแน่สงสัยแบบงงอ่ะนะงงว่าไม่แน่ใจว่านี้ถูกหรือผิดครับคุณงงนี่แสดงว่านี่วอนละอ๋อเป็นนิวรณนครับ อ๋อแน่นอนมีมงงเนี่ยนะเฮ้ยเราปฏิบัติถูกรหรือปฏิบัติผิดเนาะแต่คําคถามเนี่ยจะไม่เป็นอย่า ง, ง น, นั้นไงสมมติว่าคุณปฏิบัติจิตเป็นสมาธิใช่ไห ม, มเกิดอาการกระสันขึ้นอย่างเงี้ย<ม>เกิดเหมือนระเบิดตุ้มขึ้นมาเออยนี้มันอะไรวะเนี่ยนี่นี่เป็นไปได้แต่ถ้าบอว่าเราเฮ้ยงงสงสัยฉันปฏิบัติติดแน่นอนอันนี้เป็นนิวรณ์ครับอ่ามันจะความรู้สึกนี้จะไม่เหมือนกันแต่คนมีสตินี่เขาจะทราบอยู่ได้อืมอืมครับ ครับที่พระอาจารย์อธิบายมาก็คือตอบคําถามข้อสี่เลยนะครับข้อสี่เขาถามว่าว่าเนี่ยเกี่ยวกับเขาถามว่าการการที่เราปฏิบัติภาวนาเนี่ยจะพิจารณาหรือคิดถึงจะเป็นวิปัสสนาหรือเปล่านะครับเนี่ยมันมันเป็นข้อจากการที่เราจะสามารถดูได้นะหมอรัตพงศ์ครับหลายๆท่านเนี่ยจะได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่าเออให้พิจารณานะอย่าไปคิดเอา แล้วคิดกับพิจารณามันต่างกันยังไงเนี่ยนะ <laughs> คิดคเอาคิดเอานี่คือตอนที่จิตเราไม่เป็นสมาธิเราก็คิดนั่นคิดนี่นี่ฟุ้งซ่านแะน่มันเหมือนกับ ม, มันเหมือนนะดีนะหมอรัฐพงศ์เพราะว่าเราคิดเรื่องดีๆนะอย่างน้อยเราก็มันเอานิสเราสัญญาความจําที่มันดีๆ อ, อย่างเช่นอสุภาษสัญญาอย่างเงี้ยเราก็พิจรารณาเห็นว่าตัวเรามันเน่าเปื่อยเน่าเฟะแต่ตรง น, นั้นคุณอาจจะคิดก็ได้คุณอาจจะไม่ใช่พิจารณาก็ได้ ซึ่งตรงนี้ถ้าใช้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะไม่เหมือนกันภาษาอังกฤษเขาจะใช้ว่าถ้าคิดเนี่ยคือ think เฉยๆ think แต่ถ้าเราพิจารณาเนี่ยเขาจะใช้คำว่า reflect reflect u p o อ reflect เรสมมติคณจะ reflect ได้เนี่ยจิตคุณต้องเป็นสมาธิเขาต้อง contemplate อยู่ใจสบายๆแล้วก็มาค่อยพิจารณาเอาอย่างเงี้ยนะมันจะไม่เหมือนอาการที่คิดฟุ้งคิดนั่นคิดนี่คิดน่นคิดนั่นแล้วก็คิด กำลัคิดนี่อีกเนี่ยจะไม่เหมือนกันอืมค<ช>รับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติคําที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนค่อนข้างเคลียว่าอันนั้นคือความฟุง้งซ่านของขันใจอย่างเงี้ยเอาแค่ว่าพระนุรสท ธ, ธาเนี่ยพิจารณาโลกาทาตุพันหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นเป็นความฟุงงซ่านเนี่ยเรามาก็ง ง, งเลยลตอนแรกนะโอ้มันมีแง่แ ม, มุมนี้อยู่ที่ว่ามันค่อยๆไหลไปได้อืม เพมครับเป็นเราพิจารณาที่จิตของเราถ้าจิตเราเป็นสมาธิก็โอเคอืมอันนั้นครับคือคุณปณิชธิท่านบอกว่าเวลาท่านปฏิบัติเนี่ยท่านจะดูลมอย่างเดียวโดยไม่พิจารณาอะไรเลยคือหากไปคิดอะไรก็ดึงกลับมาดูลมเหมือนเดิมก็คือท่านเลยถามว่าเหมือนท่านทำถูกหรือเปล่าครับถูกถูกถูกถูกถูกเพราะว่าต้องใช่ไหมครับเพราะว่าการที่เรา เราปล่อยสิ่งนั้นแล้วกลับมาอยู่ที่เราหมายใจเนี่ยการที่เราปล่อยสิ่งนั้นได้นะแซวคุณก็มีวิปัสสนาระดับหนึ่งนะไม่งั้นมันจะตึบติดเลยเข้าใจไหม ม, มีคนพูดอะไรขึ้นมาเราก็ตึบคิดต่อไปแล้วเขาจะเป็นอย่า ง, งานั้นแต่เราไม่คิดต่อเราปล่อยได้ปล่อยได้ตรงนั้นแหละคุณปล่อยด้วยอำนาจของอะไรด้วยอำนาจของความคลายกำหนัดเ้าทำไมคลายกำหนัดได้เพราะเห็นตามที่เป็นจริงเราทำไมเห็นตามที่เป็นจริงก็จิตมีสนาที่ระดับหนึ่งที่จะปล่อยตรงนั้นได้อืมครับ คุณถึงปล่อยตรงนั้นแล้วมาอยู่กับลมหายใจได้แล้วถ้าปล่อยรตรงจังหวะที่พิจารณาตรงนั้นแล้วเนี่ยกลับมาอยู่กับลมหายใจได้นะ <ắng. S 1> ปล่อยตรงนั้นได้นะคุณก็จะเป็นประเภทปัญญาวิมุตต์ปล่อยแล้วปล่อยเลยนะ อ, <pes. S 1> อ๋อปล่อยแล้วปล่อยเลยเพราะว่าเป็นจากการที่เราพิจารณาปล่อยใช่ไหมพิจารณาแล้วปล่อยแล้วกลับมาอยู่ที่ลมหายใจตรงเนี้ยก็จะเป็นพวกแบบปัญญาวิมุตต์ไม่ใช่อุคตโตภาควิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อ่าไม่ใช่อุกตโอภาควิมุตต์นะจังหวะตรงนั้นที่ที่คุณปล่อยได้ ปล่อยแบบปล่อยเลยนะปล่อยแบบสลัดคืนเลยอ่ะอ๋อไม่ไม่ย้อนกลับมาคิดอีกอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ย้อนกลับมานึกถึงลมหายใจอีกลมหายใจก็ไม่เอาแล้วอือโอเคครับก็มีคำถามต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่บอกว่าถ้าถ้าถ้าคุณปณิทิเนี่ยเดิมคือท่านดูลมอย่างเดียวแล้วก็ไม่ไม่พิจารณาแต่ว่าถ้าจะพิจารณา ควรจะพิจารณาสิ่งที่เป็นปัจจุบันณนขณะนั้นหรือไม่ครับใช่เช่นท่านยกตัวอย่างว่าเช่นเช่นบอกว่าเคยกโกรธเช่นเมื่อวานกโกรธมากแต่พักๆมันหายไปก็คือพิจารณาว่าความกโกรธเนี่ยมันไม่เที่ยงอย่างนี้หรือเปล่าครับก็ได้เหมือนกันพิจารณาอะไรก็ได้สัญญาที่เป็นอดีตสัญญาที่เป็นปัจจุบันสัญญาที่เป็นอนาคตนะเราควรจะเห็นเขาด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเราเห็นลมหายใจก็ได้ ว่าเป็นขอไม่เที่ยงเห็นความคิดที่ผ่านมาเห็นความคิดที่ยังไม่เกิดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดเลยเห็นอันไหนเอาอันนั้นเห็นตามที่เป็นจริงในสิ่งไหนเอาสิ่งนั้นบางคนเห็นใบใบร่วงโอ้ไม่เที่ยงเลยเอาสิ่งนั้นคุณก็บรรลุได้เพราะพระเจ้าเคยพูดถึงภิกษุที่เห็นฟองน้ําที่มันหยดน้ํามันหลดลงมาแล้วเป็นฟองฟองขึ้นมาแล้วก็แตกเพราะแตกเพราะเห็นตรงนั้นก็ได้อได้หมดเลยครับอืม อืมทีนี้สุดท้ายก็บอกว่าอยากอต้องการถามว่าคําว่าเจริญที่ใช้เนี่ยหมายความว่าอย่างไรเช่นเจริญสติเจริญสมาธิเจริญเมตตาอย่างเงี้ยครับเอคําว่าเจริญนี่ก็พุทธเจ้าใช้ตามจุดต่างๆเช่นว่าเจริญอธิบาตสีบนะเจริญสติเจริญสมาธิเจริญเมตตานี่เป็นเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าใช้คําว่าเจริญอริยมัสมีองคแปดนะเป็นพวกเนี้ยเป็นเป็นมัช เป็นเป็นทางให้ถึงความดัดไม่เหลือของทุกข์เพราะฉั้นมักเนี่ยเป็น<ม>สิ่งที่ควรทํำให้มากทําให้เจริญทําให้มากทําให้เจริญก็คือว่าทําบ่อยๆทําจนชํานาญทําจนแคล่วคล่องทําอยู่นั่นแหละทําจนเป็นอาชีพนะทําจนเป็น<ม>นิสัยปัจจทําจนเป็นอยู่เรื่อยๆทําแล้วทํา <c oughs> อีกทําซ้ำำํำทาย้ํามีอะไรก็ทําอย่างนี้ไม่รู้จะทํำอะไรก็ทําอันนี้นี่คือทําให้เจริญออ<ม>อื ที่บอกว่าทําให้มากทําให้บ่อยทําให้นานอย่างนี้พอได้ไหมครับใช่เหมือนกันใช่เหมือนกันแล้วมันจะต่างทําให้แจ้งนะทาให้แจ้งเนี่ยคือทําให้ปรากฏขึ้นอย่างนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะทําให้แจ้งใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่ทาให้แจ้งไม่เคยมีก็ให้มีใช่เรายังไม่มีใช่ไหมเรามันยังไม่แจ้งเลยเพราะ้นคุณจะมาให้แจ้งคุณต้องทําพวกมรรคให้เจริญซะก่อนคุณทําให้เจริญมากๆมๆๆปุ๊บนิพพานคุณก็แจ้งได้ขึ้นมาอืมครับ ก็หมดคําถามนะครับคุณ <S <S <an> <S นึกนนะคุณปณิธิครับก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับคุณปณิธินี่จับรายละเอียดได้ดีมากเลยครับเราเดามาก็ ค, คิดว่าไอ้เรื่องการภาวนานในจิตเนี่ยนะคือมันเป็นรเรื่องที่เรียกว่าไม่ยากหรอกแต่เพียงแต่เรามีส ต, ติต่อไปเรื่อยเรื่เราละแม้คือเราจะพูดถึงความสงสัยเนี่ยไอ้ก้อนความสงสัยมันจะมีอยู่ก้อนหนึ่ง แล้วมันเป็นสัญญาณความสงสัยเนี่ยแต่ถ้าเรายังยังไม่เห็นว่ามันเป็นก้อนออกมาแสดงว่ามันยังครอบคุมจิตเราอยู่ทั้งหมดใช่ไหมแต่ถ้าเราผ่านมันออกมาแล้วผ่านมันออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นก้อนก้อนหนึ่งเราเคลียรก้อนนี้ทิ้งไปเนี่ยคือไอ้ก้อนนี้มันไปติดอยู่กับอะไรก็ตามเนี่ยมันก็สงสัยในสิ่งนั้นหมดไปติดอยู่กับกระดาษมันก็สงสัยกระดาษไปติดอยู่กับเสื้อมันก็สงสัยเสื้อแต่ถ้าเราเคลียก้อนนี้ออกไปปุ๊บความสงสัยกระดาษเสื้อแรงต่างหมดหมด อ่าความสงสัยไม่มีเหมือนที่เราถูกความสงสัยครอบงําจิตเราก็จะไม่รู้มันเป็นก้อนมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมแต่ถ้าเราเราผ่านมาแล้วเราเขาเรียกว่า d i s เซโซเชียตตัวเองออกมาอ่าเราก็จะสามารถเห็นว่าอ๋อนี่มันเป็นสัญญาณก้อนหนึ่งเท่านั้นเองสัญญานี้มันเป็นยังไงโอ้มันไม่เที่ยงของไม่เที่ยงแล้วเป็นสุเป็นสุขหรือเป็นทุกเป็นทุกหรือเป็นสุขเอาเป็นทุกครับเอาเป็นทุกแล้วเนของใครของเราหรือเปล่าไม่ใช่ของเราเป็นองเรายังไงวาง วางมันซะอ่าวางซะเราก็จะเห็นตรงนี้นได้ครับคนในโลกที่ไม่วางเขาว่าเขาเห็นผิดนะครับคือเป็นอวิชชาใช่ไหมครับ ย, ยึดมันซะโอความคิดนี้เราเหมือนกับเช่นความคิดที่เป็นสุข<ม>เราชอบเราก็ยึดมันซะอืมแะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ า, ามีอวิชชายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเด็กน้อยอย่างเงี้ยสมัยเราเป็นเด็กครับผมหมัยเราพงเราก็มีความรู้อยู่กับไอ้ของเล่นของเราถูกไหม ถ้าใ ค, ใครเล่นตุ๊กตุนตุ๊กตาลูกลอกอเขาเรียกอะไรลูกคางอถ้าโตขึ้นมาก็โยโย่า<อ>ลูกโปง่งดินหนังกระติกอะไรพวกเนี้หรือว่ามีของจะมีของเล่นอยู่ชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าเราชอบมากๆ ม, มากกว่าชิ้นอื่นๆมีอะไรก็เอาไปด้วยในะมสมัยอาตมานี่ก็จะมีไอ้ตัวหนังกระติกอะไอ้ที่ยิงหนังกระติกะที่เป็นตัวว<อ>ี v, แล้วเป็นหนีบแล้วก็ยิงลูกหินลูกนั้นนะอันนี้เราไปไหนเป็นาวุธ เขาเรียกว่าเป็นสิ่งคู่กายเราไปตลอดจนกระทั่งคุณครูเนี่ยมายึดไปเพราะว่าไปทำแบบมันทาปัญหาในโรงเรียนอย่างเงี้ยนะเราพบว่าเราเราในโลกของเราเหมือนกับมีสิ่งนี้อยู่อย่างเดียวเลยเข้าใจไหมของเล่นชิ้นไหนที่เป็นของเราชอบมากๆเลยเนี่ยนะมันจะแบบว่าในโลกของเรามีแต่อย่างนี้อย่างเดียวแต่เมื่อไรอะ๋ยวตอนนี้เราย้อนกลับไปดูสมัยก่อนย้อนกลับไปดูตอนที่เราเป็นเด็ก ไอสิ่งนั้ น, ม, นมันกลาย<อ>เป็นสิ่งนั้นมันกลายเป็นไม่ใช่ของเราไปสิ่งนั้นมันเป็น<อ>มันเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงเราเห็นเป็นทุกข์ไหมโอเคเราเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราเลยด้วยซ้ําเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พ่อแม่จะมาแย่งออกไปจากเราเนี่ยอุย้ยเราไม่ให้ในะกินข้าวนี้ต้องถือไว้<ม>ด้วยอย่างเงี้ยพวกของเล่านั้นนะมันมันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราอะไรเห็นตามที่เป็นจริงเราไม่ได้ถูกความความไม่รู้เนี่ยบดบังเอาไว้อ่า นึก น, นึกนึ ก, น ก, นกถึงที่ท่านยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันซึ่งเกมเกมหลายรูปแบบทั้งมือถือทั้งแท็บเล็ตทั้ง iPad ทั้งเนี่ยซึ่ง <USB S 2> เด็กเ็ก <2 S 2> <ๆ>ปัจจุบันเนี่ ย, ยใช่ใช่ถูกเหมือนเหมือนถูกครอบงำโดยเกมนะครับอันนี้ผมว่ามันมันมันจะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีไหมครับท่านมีความเห็นยังไงนะครับ ก็ถ้ารุ่นใหม่ออกมาเขาก็ปล่อยวางรุ่นเก่าได้ใช่ไหมอัปเดตไปเรื่อยๆใช่ไหมครับพอรุ่นใหม่ออกมาปุ๊บรุ่นเก่าที่มันโหยนทิ้งเหมือนไม่มีค่าทิ้เลยแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็จะเราแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราเห็นตามที่เป็นจริงในรุ่นเก่าแล้วนะแต่เรายังไม่เห็นตามที่เป็นจริงในรุ่นใหม่เราเห็นตามเป็นที่เป็นจริงแล้วว่าของเก่านี่มันเสื่อมไปจริงๆแสดงว่ามันเป็นทุกข์นะเฮ้ยของเก่านี่เราไม่น่ามีเลยเฮ้ยทิ้งไปแล้วกันไม่ใช่ของเรา น, น, นะคุณเห็นตามที่จ<ม>ริงในของเก่าอนะครับแต่เพราะว่าความยึดเนี่ยมั น, ม, นมันดิดดิน้นเป็นธรรมชาติของตันหาเป็นธรรมชาติของกิเลสมันไหลไปสิ่งใหม่ได้ทันทีและทิ้งสิ่ ง, <ม>งเก่าอย่างไม่แยแสไม่มีเย่อยใหญ่ไม่มีซึ่งอะไรทั้งสิ้นนี่คือธรรมชาติของกิเลสนะอ๋อเป็นกิเลสเลยครับอืมอืก็คือนี่ส่วนส่วนตัวก็ยังเจอเจอปัญหาอยู่ว่าลูกลูกชายเนี่ยมีแนวโน้มที่จะ ชอบเล่นเกมมากก็พยายามไม่ไม่จัดหาสิ่งเหล่านั้นนะครับแท็บเล็ตไอแพดนี่ก็ไม่มีก็เขาก็ไปขอเพื่อนเล่นบ้างอะไรบ้างก็รู้ว่าอืกลัวกลัวว่าเขาจะติดเกมเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นโรคโรคปัจจุบันโรคก็ต้องเป็นหน้าที่ของบรรดาบิดาที่ต้องคอยบอกสอนนั่นแหละบางทีก็ต้องมีการให้บ้างหยุดบ้างอะไรต่างๆต้องมีการใช้ วิธีอ่อนนุ่มวิธีละมุนละไมวิธีอ่าก็เรียกว่ารุนแรงบ้างคูก่กันไปอย่างเงี้ยนะ่อนสั้นผ่อนยาวใช่ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่ได้โพสต์ขึ้นไว้ในเพียบธรรมะ .com ที่เกี่ยวกับเรื่องของสัญญาสังขารเวทนาที่เป็นอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันแต่ถ้าบอกว่าเราไปดูที่อ่โพสต์ไว้เกี่ยวกับเพนเนี่ย เราจะอาจะจะได้พูดตรงนั้นแล้วจริงๆนี้เราก็เคยได้พูดในประเด็นมาก่อนหน้านี้แล้วในพอดแคสต์ตอนก่อนนู่ น, นที่ว่าสัญญาที่เป็นอนาคตก็มีนะสังขารที่เป็นอดีตก็มีถูกไห ม, มในในในเรื่องนี้ ค, คุณหมอฤทธิพงศ์มีความเข้าใจว่ายังไงล่ะเออที่ผ่านมายังเข้าใจว่าสัญญาเนี่ยเป็นอดีตเท่านั้นแล้วก็สังขารเนี่ยก็คือเป็นอนาคตเท่านั้นอพอบอกว่าสัญญาที่เป็นอนาคตก็เลย รู้สึกเออเป็นเรื่องใหม่จริงๆครับท่านเลยขอโอกาสท่านอธิบายได้เลยครับอ๋อสัญญาเนี่ยแปลว่าความหมายสัญญาแปลว่าความจำได้หมายรู้ไม่ใช่ครับสัญญาไม่ใช่แปลว่าความจําได้หมายรู้สัญญาแปลว่าความหมายรู้ความหมายรู้ในพุทธวจนะระบุไว้อย่างนี้นะสัญญาคือความหมายรู้คือเริยาที่หมายรู้ได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าสัญญา อิรยาที่ไหยรู้ได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าสัญญาเอ๋หมอรัตพงค์เราเคยคุยกันไปตอนที่ว่าสัญญากับสังขารว่ามันคือสัญญากับสติจำได้ไหมที่สติคือส่วนที่ recall สัญญาคือส่วนที่เก็บข้อมูลเข้าไปถูกไหมถูกต้องครับอันนี้คุณหมอรัตพงศ์เข้าใจไหมอันนี้อันนั้นเข้าใจครับอ่ทีนี้เราพูดถึงสัญญาที่เป็นปัจจุบันก่อนนะยกตัวอย่างเช่นมีเสียงเข้ามาว นี่มันเสียงภาษาเกาหลีใช่ไห ม, มความหมายรู้รที่เกิดขึ้นเนี่ยผัสสะที่กระทบหูแปลงเป็นผ่านกระดูกทั้งทอนโคนแปลเป็นสัญญาณไฟฟ้าจิตเราเข้าไปรับรู้ตรงเนี้ยคือผัสสะครับคือผัสสะเข้าใจไหมใช่ครับเอาเกิดผัสสะแล้วเนี่ยจิตเข้าไปรับรู้เสร็จปุ๊บโออันนี้มันคือภาษาเกาหลีความว่าเป็นภาษาเกาหลีเนี่ยคือสัญญาเข้าใจไหมอืมอ่าโอเคถูกต้องครับเอาใหม่ มีรูปอันหนึ่งมีแสงสะท้อนลงวัตถุสิ้นหนึ่งเข้าผ่านตาแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าผ่านกระดูผ่านไอเลนที่เป็นเนื้อเยื่อทมเจ็ดชั้นนะผ่านเข้ามาเข้าไปทางสมองติดเข้าไปรับรู้เสร็จปุ๊บออันนี้ปากกาใช่ั้ยปากกาสีนี้สีนี้เรารู้ละเป็นสัญญาขึ้นมาะเป็นสัญญาสัญญาใหม่ถัดไปเข้าทำงานสัญญาที่หนึ่งแล้วนะ โอ้ยนี่มันภาษาเกเาหลีเขาพูดถึงนักร้องคนนี้นะหรือว่าอันนี้เป็นภาษาเกาหลีเขาด่าเราเข้าใจไหมเอาเอ า, เอาที่ง่ายกว่านั้นอีกเขาพูดถึงนักร้องคนหนึ่งเอาภาษาเกาหลีนี่เป็นสัญญาที่หนึ่งนะแล้วมันเป็นสัญญาที่สองสัญญาที่สองที่เกิดขึ้นเนี่ยคือความที่เป็นนักร้องคนหนึ่งเข้าใจไหมนี่เป็นสัญญาที่สองเข้าใจไหมครับการที่สัญญาที่หนึ่งเปลี่ยนเป็นสัญญาที่สองได้เนี่ย เพราะสังขารเข้าทำงานเข้าใจไหมเอาแค่ okay, นี้เข้าใจไหมภาษาเกาหลีเป็นสัญญาใช่ไหมแล้วคุณคฟังเสร็จปุ๊บคุณได้ดูอ๋อนี่มันเสียงเพลงเป็นของนักร้องคนนี้การที่มันเปลี่ยนเป็นสัญญาที่สองคือเสียงเพลงเป็นของนักร้องคนนี้ สัญญาที่หนึ่งคือภาษาเกาหลีเปลี่ยนเป็นเสียงเพลงของนักร้องคนนี้เปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้เนี่ยเป็นหน้าที่ของสังขารเพราะอะไรสังขารคือกิริยาที่ปรุงแต่งได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าสังขารปรุงแต่งอะไรเป็นอะไรปรุงแต่งสัญญาให้เป็นสัญญาไงปรุงแต่งภาษาเกาหลีให้เป็นนักร้องอย่างเงี้ยปรุงแต่งภาษาเกาหลีให้เป็นดนตรีอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสังขารเข้าใจไหมสังขารไม่ไม่ใช่ว่าเป็นนักร้องหรือเป็นดนตรีเนี่ยเป็นสังขารนะ นักร้องกับดนตรีเนี่ยเป็นสัญญานะแต่การเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยคือสังขารตัวความเปลี่ยนแปลงคือสังขารออเข้าใจครับเข้าใจนะถ้าดูในพอดแคสต์ดูในเพน a s t เนี่ยจอจะพูดจะเห็นมาอย่างชัดเจนอ่าแล้วหลังจากนั้นอันนี้คือเราพูดถึงปัจจุบันก่อนเนาะาเห็นปากกาใช่ไหมเป็นสัญญาที่หนึ่ง อ๋อบัตรกานี้มันของคนอื่นนี่ว่ะนะไอความที่เรารู้ว่าหมายรู้ได้ว่าอันนี้เป็นของคนอื่นเนี่ยเป็นสัญญาที่สองนะการเปลี่ยนแปลงจากปากกาแล้วกลายเป็นความหมายความหมายรู้จากปัตกาเปลี่ยนเป็นความหมายรู้ว่าอันนี้ของคนอื่นเนี่ยอันเนี้ยสังขารเข้าทํางาน<อ>เข้าใจไหมโอ้เข้าใจครั บ, รบอ่าโอเคอันนี้เข้าใจเนาะโอยอันนี้เรายืมมาตั้งแต่เมื่อสามปีที่แล้วปัตรกาแท่งนี้ เข้าใจไหมอืมไอไอที่เรานึกออกได้ว่าเรายืมมาตั้งแต่สามปีที่แล้วเนี่ยนี่คือสัญญาเข้าใจไหมการที่สัญญาจากปากกาของคนนี้กลายเป็นสัญญาที่ยืมมาตั้งแต่สามปีที่แล้วตรงเนี้ยสังขารเข้าทํางานเข้าใจไหมอ๋อเป็นสังขารที่สองอุ้ยใช่ไหมครับตัวในเพนแคดที่ท่านเขียนสัญญาสังขารที่หนึ่งอ๋อแล้วมีสังขารที่สองหรือได้บอกรับเอาเอาตามที่ฟังเนี่ยเอาตามที่ฟังนี้ก่อน เตามที่ฟังนะครับตามที่ฟังนี่นะโอเคโอเคสัญญาที่เราบอกว่าอันนี้เป็นของคนอื่นนะเปลงเป็นว่าโอ้โหเรายืมมาเมื่อสามปีที่แล้วสัญญาที่ว่าสามปีที่แล้วเนี่ยเป็นเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่เพราะความมีสังขารเข้าทํางานเข้าใจไหมอืมอ่าเข้าใจครับสังขารที่เกิดขึ้นตรงเนี้อ่อสัญญาที่บอกโอ้ยืมมาเมื่อสามปีที่แล้ว โอ้ตอนนั้นอยู่ที่นู่นภาคเหนือยืมเข้ามาน่ะไอ้คาว่าภาคเหนือยืมเข้ามาตรงเนี้ยเป็นสัญญาหมดเลยนะเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะมีสังขารเข้าทํางานถามว่าไอ้สัญญาตรงเนี้ยเป็นสัญญาที่เป็นในอดีตนะอดีตแล้วนะอภาคเหนือสปีมาแล้วพวกนี้อดีตหมดปีสังขารเข้าทํางานหมดเปลี่ยนแปลงเป็นสัญญาจากหนึ่งเปลี่ยนเป็นสัญญาไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะสังขารเข้าทำงานหมด โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้เอาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปเจอเขาจะเอาไปคืนนะอาทิตย์หน้าเป็นอะไรเป็นสัญญานะเพราะเป็นความหมายรู้ในอาทิตย์หน้านะเอาไปคืนไป็นอะเป็นสัญญานะเอาตรงนี้ใครเขาทำไงสังขารเขาทํางานนะสัญญาที่เป็นไปในอนาคตอตญญ า, าทิตย์หน้านะเข้าใจไหมแล้วสังขารเข้าทํางานว่าโอ้เราจะเอาไปคืนคืนนี้ก็เป็นสัญญาเหมือนกันแล้วคุณจะไปหมายรู้ได้ไงว่ามันคืนหรือไม่คืน อ, อแล้วคุณจะหมายร้่นไหนคุณจะไปคืนที่เขาที่ไหนเอาเขาจะมากรุงเทพอาทิตย์หน้าอ๋อเดี๋ยวจะเอาไปคืนเขาเพราะฉะนั้นกรุงเทพก็ตามอาทิตย์หน้าก็ตามจะเอาไปคืนก็ตามพวกเนี้เป็นสัญญาที่มีในอนาคตทั้งหมดอมันเกิดรวดเร็วมากนะเพราะว่าผู้นี้สังขารเขาพร้อมทำงานหมดใช่ครับปุ๊บปุ๊ป๊ปทันทีอ้าวทำไมคุณรู้ว่าอันนี้เป็นดนตรีเกาหลีอ่ะ โี่เป็นนักร้องคนนี้อ่ะโอ้ยนี่เคยฟังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเคยฟังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปฟังกับคนนี้มาไอ้ความที่ว่าเราไปฟังกับคนนี้มาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นสัญญาที่เป็นในอดีตนะเอาทำไมมันเป็นอย่างนั้นได้ไงสังขารเข้าทํางานสังขารตรงนี้คือสติด้วยนะระลึกได้นะระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแลาแมนน์ได้นะเราระลึกถึงว่าอสัปดาห์ที่แล้วกูไปฟังอดนตรีเกาหลีนี่มากับคนนี้นั้นเป็นสัญญาที่เป็นไปในอดีตนะสตินะก็จะไหม Mm hmm. แล้วบอกโอ้โหแต่ลืมซื้อซ mm ีด hmm. ีเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกไปซื้อซีดีเขาหน่อยหนึ่งฮะพรรุ่งนี้เน mm ี hmm. ่ยเป็นสัญญานะไปซื้อเนี่ยซื้อก็เป็นสัญญานะพรุ่งนี้เป็นสัญญาที่เป็นไปในอนาคตทั้งหมดเลยนะอนาคตออืมใครเข้าทํางานสังขารเข้าปรุงแต่งทํางานนะอืม mm hmm. <ร>อืมเพราะฉะนั้นสัญญาอันนี้พุทธวจนะนะสัญญาที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันใกล้ใก ล, ใกล้นะอย่าประณีต เลวหรือดีละเอียดประรณีดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของเราสังขารอาดีตอนาคตคปัจจุบันใกลใกล้เลวประนีดหยาบละเอียดไม่ใช่ของเราออืไม่ใช่ของเราเช่นกันใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงปัจจุบันเนี่ยอดีอนาคตยังไงมันต้องมีอืเพราะฉะนั้นถ้าเราเราไประลึกถึงแค่ว่าโอสังขารนี่คือความจํามันไม่ใช่ความจําในลักษณะว่าจําได้อย่างนั้นถ้าจะพูดให้ถูก บกเพชนะผู้เาใช้คําว่าหมายรู้ในะสังกัดคือความหมายรู้แล้วถ้าบวกกับสติเข้าไปได้ด้วยอันนั้นคือความจำํำสังสัญญาคือความหมายรู้บวกสติส่วนที่เป็นอดีตนั่นคือความจําได้ที่เราเคยพูดไปนะว่าความจำเนี่ย memory เนี่ยมีอยู่3ส่วนใช่ไหมส่วนที่ register ส่วนที่ storage แล้วก็ส่วนที่ recall ส่วนที่ register กับ storage เนี่ยคือส่วนของสัญญา ส่วนที่ recall นี่คือส่วนของสติอ่าการเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้สังขารทํางานหมดสังขารทํางานหมดอืครับเฮ้ยหมอธนรงศ์เข้าใจหรือยังประเด็นนี้เข้าใจนะครับท่านเข้าใจว่าไงหมอซึ่งเนเข้าใจว่าไงก็อย่างสัญญาก็คือความหมายรู้แต่ว่ามันจะมีความหมายรู้แนอนาคตด้วยเช่นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปอ่าโรงพยาบาลนู้นโรงพยาบาลนี้ เป็นแว่าตอนคิดเป็นสัญญาแต่ว่า <orton. S 2> สิ่งที่จะเกิดคือเป็นอนาคตก็คือเขาเรียกว่าสัญญาในอนาคตใช่ไหมครับใช่ส่วนสังขารใน อ, อดีตก็คือส่วนที่สัญญามีการเปลี่ยน <ly> สัญญาหนึ่งเปลี่ยนเป็นอีกสัญญาหนึ่งก็คือการเปลี่ยนเนี่ยเรียกว่าสังขาร<ซ><บ inside>ทำงานอา่าใช่อ่าซึงก็คือเป็นเกิดขึ้นใน อ, อดีตเพราะที่คุณปนิธิถามประเด็นที่ว่า ถามเรื่อง definition เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแต่ถ้าเราเข้าใจ definition เข้าใจบัญญัติให้ถูกต้องนะเราจะไม่สับสนถ้าเราไปเข้าใจว่าสัญญาเนี่ยคือความจามําความจามําทําให้เราไม่สามารถตอบคําถามของสัญญาที่เป็นไปในอนาคตได้ก็กวนจํามันยังไม่เกิดมันแล้วมันจะไปมีสัญญาที่เป็นอนาคตได้ไงก็คุณผิดมันตั้งแต่สิ่งที่เป็นนิยามแล้วตัวนิยามใช่ครับเพราะฉะนั้นเราเราเลิกซะสัญญาที่แปลว่าความจําสัญญาแปลว่าหมายรู้ ความหมายรู้อ่าใช่ครับอืเหมือนเหมือนกรณีที่ว่าเราเราจับผ้ากับเราจับไม้เนี่ยจริงๆเราบางทีมันเป็นความหมายรู้ใช่ไหมครับว่าจับผ้ามันจะนุ่นจับไม้มันจะแข็งทีนี้ความหมายเราก็ความหมายรู้ตรงนี้เกิดจากอะไรความหมายรู้ตรงนี้เรียนรู้มาได้ยังไงสมมติเด็กน้อยคนโตคลอดออกมาจากคันแม่โพลิออกมาเลยยังไม่รู้จักว่านี่มันคือปากกาเนี่มันคือดินสอเขาเรียนรู้ได้ยังไง เขาเรียนรู้จากภาษาไงเพราะมีภาษาจึงสัญญาไงอ่าภาษาเมื่อมีภาษาแล้วจะทำใหเกิดเวทนาสัญญาบิตกถูกไหมเขาก็เรียนรู้ว่าอ๋อเนี่ยแม่จับตรงนี้อันนี้แล้วก็อันนี้บอกว่าดินสออ่าโอเคอืมสามสี่ครั้งเข้าก็รู้แล้วว่าอ๋ออันนี้คือดินสอครับมันไม่ได้ยากเลยเพราะงั้นเขาก็เรียนรู้ว่าอ๋ออันนี้คือความหมายรู้ละว่าอันนี้คือดินสอแค่นั้นเองครับอืม อืเป็นไปในอดีตอนาคตปัจจุบันได้หรืออีกอย่างหนึ่งคุณยังไม่เคยรู้ภาษาเกาหลีตอนเนี้ยอ่สมมติว่าคุณตอนนี้คุณรู้คุณยังไม่เคยรู้ภาษาเกาหลีมาก่อนใช่ไหมคุณจะไปเรียนภาษาเกาหลีอีกเดือนหน้าอย่างเงี้ยจะไปเรียนอย่างเงี้ยเอาสัญญาใหม่ที่เกิดขึ้นนั่นคือสัญญาในอนาคตนะอ่าอืมลักษนี้เป็นสัญญาในอนาคตเนี่ยมีแน่นอนครับอืความหมายรู้ในสิ่งที่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างเงี้ยมีแน่คือในในเพนแคสต์ <pen cast S 2> บางทีมันจะมีข้อจํากัดเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของการตัดต่อเนี่ยมันทําให้บางทีอธิบายได้ไม่เต็มเต็มสูตรเต็มจุดเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านฟังฟังตรงนี้ยังไม่เข้าใจนะให้กลับไปฟังตรงส่วนของพอดแคสต์เนี้ยอีกทีหนึ่งนะย้อนกลับไปฟังตรงส่วนที่พูดยกตัวอย่างของอเกาหลีเพลงเกาหลี ใช่ไหมแล้วก็ปากกาเนี่ยเราเราเราไปฟังอีกรอบหนึ่งทบทวนให้เข้าใจมันจะมีระบบขั้นตอนแพทเทิร์นที่อาตมาได้พูดไปอยู่จะไม่เราเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างสัญญาสังขารที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ครับอันนี้เป็นพุทธวจนะแท้ๆเลยนะครับเพราะว่าอยู่ที่หน้าอะไรที่ใน podcast เก็บไว้อยู่ที่หนังสืออริยสัจจากพระอุปัภาคต้น หน้า155ถ้าเกิดคิดว่าท่านผู้ฟังถ้ายังไม่เข้าใจก็ไปฟังอีกรอบหนึ่งฟังซ้ำๆฟังย้ำๆนั่นคือการทําให้เจริญน ะ, จะเจริญแล้วจเจริญอีกการที่เราจะาสร้างขึ้นมาดีขึ้นมาได้เราก็สร้างบนของเก่านั่นแหละนะเราทําให้ค่อยๆขึ้นมากๆขึ้นไปก็แล้วกันก็จะสามารถทําให้ดีขึ้นมาได้นะแล้วก็ถ้าท่านฟังมีคําถามสิ่งใดก็ให้เขียนส่งกันเข้ามาได้ก็สามารถตอบให้ได้ทางรายการนี้แหละ ครับก็ส่งมาทางพิลธรรมะคอ m เช่นเช่นเดิมนะครับก็จะอพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าหมอท่าพงมีอะไรเพิ่มเติมไหมในวันนี้ไม่มีแล้วครับโอ้ได้ความรู้ใหม่ๆต้องอนุโมทนาเลยครับครับก็วันนี้สมควรแก่เวลาครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า่านครับขอากัานมรขอบคกรับนผครับากครับนผครับคกรับานรับขารครับ